บุ๊กทูสิบแปดฮิจดะการทำความสะอาดบ้านนมโซฟาเชฮาเนวันนี้เป็นวันเสาร์อ็มรูซชามบัสตวันนี้เรามีเวลา มอรู้ว่าริวันนี้เราจะทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์อ็มรอพาร์ตเมนต์เราทำมิคณิมผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำมัมมรอทำมิคณภรรยาของผมกำลังล้างรถ โชว ر م ا ร์มอัตโมบิลรอไม่ชูยัดเด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยานบัตเช่ฮ่าด خ ه าร์กฮ่ารอท ک ن ن ามคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ م ا د ر ลบุ ه รุ่งเบ م งกุลเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ شو ฮ ر ร م มมีส ر ی ر ش ร ا ร ر ชรอมร ن د ทัมีคนผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้าม ن ل เล س บอสฮาร ر ด ن ร ا ش ی ن ม ب ช س ش و ล ی บอสชุยมีรีม ผมกำลังตากผ้ามันเลบอสฮาร์อวีซอนมีคอนผมกำลังรีดผ้ามันเลบอสฮาร์โรโอชูมีคอนหน้าต่างสกปรกพันเจรฮ์คัซีฟฮัสตานพื้นห้องสกปรกแคเฟอช็อป คสซีฟแอสจานชามสกปรกซาร์ฟฮอคสซีฟฮัสตันใครเช็ดหน้าต่างขี้พันเจรฮอร์ทำให้สีคุนนัดใครดูดฝุ่นขีจารูมีคุนนัดใครล้างจาน کی ظ ر ف ها را می شوید؟